ก็ถ้าดูตามพยัญชนะก็อริยสัจนี่นแหละปรากฏนี่นนะือที่เขาไม่ยอมปฏิบัติจนเห็นอริยสัจเนี่ย น, นะที่ยังยอมให้ถูกหอ่อหุ้มหุ้มหอ่อไม่ยอมพูดแบบง่ายเลยก็คือไม่ยอมฉลาดสักทีหนึ่ง น, นะนะเต็มไปด้วยความมืดความบอดก็เพราะสงสัยอ่ะกับประมาทนั่นเองนี่นนะคือคือยังยินดีที่จะอยู่ในวิชาเอ่ยยินดีที่จะอยู่แบบคนเข่าต่อไปนี่นนะ อันตัวที่ขัดขวางทำไม่ให้เข้าเจริญก็คือวิจิกิจชากับความประมาทเนี่ยนะเมื่อเขาตกอยู่ในวิจิกิช่าและความประมาทเขาก็ไม่น้อมจิตไปเพื่อความเพียรเนี่ยนะจะไม่น้อมจิตไปเพื่ออบรมอริยมรรคทีนี้เมื่อไม่อบรมอริยมรรคเนี่ยนะความจริงก็เลยไม่ปรากฏเนี่ยนะเราอยู่กับทุกข์แต่ทุกข์ปรากฏไหม ทุกปรากฏไหมอยู่กับทุกความจริงของทุกเป็นยังไงครับความจริงของทุกคือปีลณะนะเนี่ยนะเบียดเบียอนอนิจจังทุกขังอสุภะอนาัตตนั่นแหละคือความจริงเขาเป็นอย่างนั้นถามว่าวันหนึ่งเรายอมรับแบบนั้นกี่ครั้งเนี่ยหรือสิ่งเหล่านั้นอ่ะปรากฏให้เห็นแบบนั้นเนี่ยกี่ครั้งเพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่าปัญญาเหมือนสาตราเนี่ย ซอกซอนแทรกแซงพิจารณาโดยแง่มุมต่างๆจนรอบรู้ทั้งหมดน่นะอันความหมายที่ว่าปรากฏก็คืออริยสัตนั่นแหละทุกขสัตว์เนี่ยตามความเป็นจริงทุกความจริงของทุกขาริยสัตว์ไม่เที่ยงแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมไหมในใจของเราคิดนะโดยมากเราจะบอกว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ห่างอะไรกันนล แต่พอออกห้องออกจากตรงนี้ปั๊บนี่โห่างมากโอเหมือนกันเหมือนกับว่ามันนานละแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ปั๊บเอ๊ะอาทิตย์ที่แล้วก็เห็นอาทิตย์นี้ก็เห็นอีกเนี่ยนะก็ทุกอย่างไอ้ก็ดูเหมือนเดิมไปหมดเลยเพราะั้นอันนี้คือนิจจสัญญาเพราะั้นไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้กรดปรากฏโดยความเป็นเป็นทุกเนี่ยนะเราก็นึกว่าเออทุกคนก็สบายดีกันหมดนะไอ้ทุกคนก็สบายดีน่ะแต่ไอ้ความสบายอันนี้อยู่ได้กี่ชั่วโมงอ่ะ แต่เนื่องจากเกิดการบริหารหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นอย่างดีเนี่ยนต่ทำหิวก็ไปเติมให้ซะหน่อยนะปวดหนักปวดเบาก็ไปทำกิจให้มันเสร็จก็เลยดูดีไปหมดเลยก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงเนี่ยทุกเต็มไปหมดเลยอยู่ในนั้นล้วก็เลยนึกว่าทุกอย่างนี้เหมือนเดิมหมดเลยอันนี้ก็คือสุกพวกวิปลาสทั้งหลายเนี่ยครอบงำฉาบทาสัตว์ทั้งหลายเพราะว่ า, าวิชาเนี่ยเป็นเหตุให้วิปลาสน เป็นเหตุให้นิจวิปลาดสุขวิปลาดอัตาวิปลาดและนิจวิปลาดเพราะความวิปลาดนั่นเองนั้นก็เลยไม่ยอมปรากฏตามเป็นจริงในในความเป็นทุกข์สัตว์เหล่านี้เมื่อไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งมวลเหล่านี้เป็นกองทุกข์ถามว่าอยากออกไหมหรือที่อยากเข้าไปพัวพันจริงๆนะถ้าเราหนึ่งไม่เห็นคือเห็นว่าเที่ยงสุขงามอัตตาเนี่ยพื้นฐานเห็นอยู่แบบนี้เป็นพื้นฐานเนี่ย ถามว่าคิดจะออกจากสิ่งนั้นไหมมันก็ไม่คิดจะออกถ้าไม่คิดจะออกเนี่ยนะจะไม่เจริญไตรสิกขากันเพราะไตรสิกขาหรืออริยมรรคเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอริยมรรคเป็นต้นก็เลยไม่ปรากฏนะนะความจริงของทุกขสัตว์ไม่ปรากฏก่อนตัณหาเนี่ยเหมือนกับเห็นเห็นอยู่แต่ว่าเห็นแบบคนเมาอ่ะเห็นแบบแบบอะไรแบบต้องการเข้าไปพัวพันอ่ะนะ เห็นเพื่อที่จะเจริญตันหาจริงๆแล้วตัวตันหาเนี่ยลักษณะของเขาก็คือพัวพันเพราะฉะนั้นเป็นการเห็นที่เข้าไปพัวพันซะส่วนใหญ่ไม่ได้จริงๆแล้วผู้ที่เห็นตันหาโดยถูกต้องนั้นอะ่ะท่านเห็นเพื่อจะออกจากตันหาแต่สัตร์ทั้งหลายเห็นเพื่อจะเพื่อที่จะมีตันหามากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่คําถามว่าอะไรไม่ปรากฏไม่สว่างไม่แจ่มแจ้งก็หมายถึงอริยสัจนั่นเอง นี่ก็มาดูคําถามต่อไปเลยนะว่าแล้วอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกเท่ทีถ้าเราตั้งคําถามว่าเราศึกษาธรรมะ ก, กันทําไมเนี่ยเคยเคยตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นไหมหรือหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเราเนี่ต้องการท้นทุกข์ล่ะเราต้องการพ้นทุกข์กกไหนคือคือจริงๆริะเราน่าจะทบทวนแบบอะไรที่เราไม่ชอบบ้างเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการพ้นจริงๆริอะมันคืออะไรอันนี้ควรจะชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ไหม มาใช้เขาว่าทุกเราก็ เ, ออเห็นด้วยนะเขาว่ามาทุกทีหนึ่งเราก็เห็นด้วยกับเขาทีหนึ่งเนี่ยนะถ้าเขาเลิกว่าเราก็เลิกเห็นเนี่ยนะก็น่าจะเอามาสรุปมาทบทวนว่าที่บอกว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกคำว่าโลกก็คือเรานั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนหรอกเนีย่ยนะแล้วมีอะไรเนี่ยเป็นภัยใหญ่ทุกไหนบ้างที่เราที่ยังเป็นภัยของเราเลยนะว่า ร, มรวมๆกัอนอะไรบั่งที่เป็นภัยอ่ะนะทุกเนี่ยวิธีแบ่งเขก็แบ่งอย่างนี้ก่อนว่า แบ่งโดยทุกข์ทุกอย่างหนึ่งใช่ไหมสังขารทุกข์วิปริณามทุกข์อันนี้ในหนึ่งเลยอีกในหนึ่งเลยก็คือชาติติทุกข์เป็นต้นทุกคือการเกิดครั้งแรกในภพนั้นๆที่เขาบอกว่าเอ๊ทุกที่คือการเกิดครั้งแรกในภพอย่างนั้นๆเนี่ยมันทุกอย่างไงเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งมวลคือชาติเนี่ยเหมือนกับการเข้าไปรับภาระ เขามีภาระใดในโลกเราก็ยื่นเสนอตัวเนี่ยไปรับหมดเลยถามว่าจะเดือดร้อนขนาดไหนผู้ที่ยังมีทุกข์คือชาติอยู่เนี่ยนะหรือผู้ที่ยังไม่พ้นจากการเกิดให้เรารับรู้เถอะว่าภาระทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกเราเนี่ยยังไม่ได้พ้นจากการรับภาระเหล่านั้นหมดเลยเนี่ยนะเช่นภาระในการบริหารขันเป็นต้นเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ยังเกิดอยู่ก็ไม่ไม่พ้นใช่ไหมถ้ายังมีการเกิดคาว่าเกิดเนะี่ย คือการเกิดครั้งแรกในพบนั้นน่ะพบไหนบ้างก็ไล่ไปตั้งแต่อบายใช่ไหมทุกที่จะเกิดในอบายเนี่ยเรายังไม่พ้นทุกที่จะเกิดเป็นหมู่เดรฉานทั้งปวงเราก็ยังไม่พ้นทุกที่จะเกิดเป็นเดรฉานทั้งปวงเราก็ยังไม่พ้นทีนี้ทุกที่เกิดเป็นมนุษย์นะเราเห็นคนพิการทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกคนเดือดร้อนทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกเราก็ยังไม่ได้พ้นจาก สภาพเหล่านั้นเหล่านั้นเลยแต่ทีนี้ถ้าทุกอย่างบริบูรณ์หมดนะนะแต่คนที่บริบูรณ์เนี่ยถามว่าต้องรับภาระหมันนะี้โหจนถึงตําแหน่งใหญ่โตที่สุดเลยเอาเป็นนายกเลยเอาถามจะรับภาระหนักขนาดไหนเพราะจะต้องเข้าไปรับภาระเนี่ยไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องสารพัดเรื่องต่อต่อสารพัดเรื่องเนี่ยนะเพราะทุกทั้งมวลเหล่านั้นมาจากการการเกิด เราเคยคิดไหมว่าโรงพยาบาลทุกโรงเนี่ยนะเรามีสิทธิ์ไปใช้บริการได้ทุกโรงเลยเตียงผ่าตัดทุกเตียงเรามีสิทธิ์ใช้หมดนะความเดือดร้อนทั้งมวลที่อยู่มีอยู่ในโลกนะเราพร้อมที่จะรับได้หมดเลยนะถึงบุญบางอย่างนำเกิดในเทวดาถึงบุญเหล่านั้นก็อะไรก็ไม่เที่ยงนะนีถึงจะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็อยู่ช่วระยะหนึ่งก็ต้องวนกลับมารับภาระ นะถ้ายังมีชาติคือการเกิดอเนี่ยทีนี้ถ้าไล่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะถะ้าถ้าศึกษาให้รอบรู้เนี่ยผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มทุกข์ตั้งแต่อยู่ในคันขึ้นมาเนี่ยนะทุกข์ก็อยู่ในครันเนี่ยก็หลายท่านที่นี้ก็รับรู้ทั้งสองอย่างนะนะทุกข์ทั้งเป็นผู้บริหารคันเองอย่างหนึ่งทุกข์อย่างเคยอยู่ในคันด้วยนั่นนี่ก็อาจจะได้รับทั้งสองอย่างนะผู้ชายก็รู้แต่รู้แต่เคยอยู่ในคันแต่นะว่าบริหารคันเนี่ยยัง นะเ่ยเ อ, อผู้ช่วยบริหารทำหนังสติบอกผู้ช่วยบริหารขันนะนีก็เป็นอย่างนั้นแหละพร้อมที่จะรับหมดแล้วนะภาระทั้งมวลที่จะรับหมดถามว่าทุกเหล่านั้นนั้นเนี่ยเราเคยคิดจะออกจริงไห ม, ไมนะเนี่ยสมมติถ้าเราออกแล้วเมื่อทุกเหล่านั้นเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการในทุกเหล่านั้นเนะี่ยแต่ทุกเหล่านั้นก็ไม่ได้พ้นหรือไม่ได้หมดไปจากสักด์โลกเลยนะ ผู้ที่จะออกจากทุกข์เนี่ยจะต้องรู้จักความเป็นจริงของทุกข์ก่อนเขาจึงจึงยินดีที่จะออกจากทุกข์กันนะมีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผู้ที่ยังไม่เห็นโทษของกามเนี่ยนะแล้วไม่ได้สุขที่เกิดจากเนคขมมะจริงเนี่ยยังไงก็ต้องวนกลับไปหาหากามอีกจนได้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันนะถึงเราบอกว่าเราอยู่กับทุกข์แต่เราไม่ได้เห็นภัยของทุกข์ แล้วไม่ได้มีความปรารถนาที่จะออกจากทุกอย่างแรงกล้าจริงออกไม่ได้หรอกเนี่ยนะแรงดุงดูดมันมากเกินไปที่ที่เราจะออกกันแบบใช้เรียลแรงน้อยๆนะหลายๆสูตรเ็บอกว่าด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษจึงจะออกจากทุกได้นี่มาดูที่ว่าทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเนี่ยนะทุกเนี่ยย่อๆก็มีสองอย่างชไชไทุกกายกับทุกใจ ถ้าไม่มีทุกกายทุกใจเนะเราอยากยอมรับไหมว่าเป็นทุกข์ไม่ค่อยยอมรับนยะถึงจะไม่เที่ยงเราก็บอกมันดีอะเราก็ยังยอมรับว่าเป็นความสุขเพฉะนั้นทุกข์ที่น่ากลัวอย่างแท้จริงก็คือทุกกายกับทุกใจเนี่ยนะทุกข์ที่เกิดในกายวิญญาเนี่ยนะทุกข์ที่เกิดทุก์กับทุกขากายยะวิญญาเนี่ยเป็นทุกกายส่วนทุกข์ที่เกิดในโทสะมูลจิตเนี่ยจัดเป็นโทมนัส เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะหวาดกลัวทุกข์ฉะนั้นภัยที่เสมอกับทุกข์เนี่ยยอมไม่มีนะก็จริงๆนะที่เรากลัวๆทั้งหมดนี่ก็กลัวทุกข์กันนะรังเกียจเนี่ยเช่นก็บอกที่นั่นไม่ไปอ่ะบอกกลัวทุกข์ที่นั่นเนี่ยนะที่ไม่ยอมทําอะไรตั้งหลายหลายเรื่องเนี่ยก็เพราะกลัวทุกข์บางคนเนี่ยไม่ยอมทําบาปเพราะกลัวกลัวทุกข์อ่ะกลัวทุกข์ในนรกเป็นต้นกลัวทุกข์เพราะจะต้องเศร้าโศกเสียใจเป็นต้นมันที่ที่ไม่ทําชั่วหลายๆเรื่องก็เพราะ กลัวทุกแต่คนที่ไม่กลัวแต่เขากลัวอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่กลัวจากเรื่องนี้นะอย่างคนทุจริตทําทุจริตเชน่นอาทินนาทานเนี่ยเขากลัวทุกประเภททุกเพราะถูกดูหมิน่นเหยียดย้ำทุกเพราะความยากจนเนี่ยนะนะก็เลยหันไปทําอาทินนาธานเพื่อให้มั่งมีไงเสร็จแล้วเขาเนี่ยกลัวทุกขอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไปทําตัวกล้ากับทุกอีกอย่างหนึ่ ง, ออ ง, งพออีกระดับหนึ่งก็หันเข้าไปหาทุกขอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ั้น ให้รู้ว่าทุกคนที่ทําอะไรกันอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะกลัวทุกข์เนี่ยนะเพราะเขาต้องการหนีจากทุกข์แต่วิธีการหนีทุกข์เนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้ของเราก็ที่มาศึกษากันเนี่ยใครใครบอกว่าฉันเนี่ยจะขออยู่กับทุกข์ต่อไปเนี่ยนะแล้วก็มาศึกษาธรรมะก็ไม่ใช่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่รังเกียจทุกข์เพราะเขากลัวทุกข์กันทั้งนั้นนหละแต่ทีนี้ว่าวิธีการที่จะออกจากทุกข์เนี่ยตั้งไว้ไม่เท่ากันหรือตั้งไว้ไม่เหมือนกัน ผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนําเนี่ยเป็นวิธีที่ออกจากทุกข์อย่างแท้จริงซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วองค์แปเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเป็นวิธีที่ออกจากทุกข์จริงส่วนสัตว์ในโลกโดยมากเขาไม่ไม่เชื่อว่าองค์8เนี่ยจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมเขาไม่เอ๊ะถ้าเขารักษาสัมมาวาจาแล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเขาคิดอย่างนี้ไหมโดยมากไม่คิด เขาคิดว่าถ like ้าเขาต้องรักษาสัมมาวาจานะเขาอาจจะทุกข์เพิ่มอีกอย่างเงี้ยนะก็เลยเข้าใจวิปลาดคลาดเคลื่อนไปจริงแล้วก็ทั้งหมดที่สัตว์ทั้งหลายทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ทําเพราะหนีทุกข์นั่นเองเนี่ยนะอย่างคนที่ออกกําลังกายเหนื่อยเนี่ยทำมเขาจึงออกกําลังกายเขากลัวทุกข์นะแต่เขาไปยอมทุกข์อีกอย่างหนึ่งเพราะเขากลัวทุกข์อีกอย่างอันหนึ่งเนี่ยนะมันพื้นฐานทุกอย่างที่ทํำทำก็เพราะกลัวทุกข์แต่ว่าวิธีแก้ปัญหาจะไม่เหมือนกันนี สุดแท้แต่พฤติกรรมและคําพูดเนี่ยสุดแท้แต่สังกปะใช่ไหมพฤติกรรมคําพูดอยู่ที่อยู่ที่ความนึกคิดของเขาอะ่ะทีนี้ความนึกคิดอยู่ที่ทิฏฐิของเขาทิฏฐิของเขามาจากอ า, อาศัยอะไรมาจากมิตรของเขาอะ่ะเขาคบใครอยู่เนี่ยนะเขานับถือใครเขาเชื่ออะไรเนี่ยนะอันนั้นอ่ะประกาศถึงว่าพฤติกรรมกับคําพูดเนี่ย เว้นผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระประเจกับพุทธเจ้าเสียบุคคลที่เหลือต้องอาศัยอาศัยมิตรทั้งหมดเนี่ยนะก็อาศัยมิตรอ่ะแต่ว่ามิตรนั้นจะมิตรแท้หรือมิตรเทียมแล้วก็ก็มิตรละเนี่ยนะเราครบกับใครเนี่ยนะเราก็ถือว่าเราครบมิตรนั้นๆแล้วอ่ะแต่มิตรเหล่านั้นจะช่วยเราออกจากทุกได้จริงเนี่ยนะก็ถามว่าใครจะรู้เนี่ยนะนี่เราก็เอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นเป็นผู้รู้ในฐานะเรา เป็นผู้ไม่รู้พระองค์ชี้ทางใดทางนั้นจักเป็นเช่นนั้นเป็นแน่เยนะก็ตถาคตโพธิสัต t h าเนี่ยตรงนี้มาเป็นเป็นเบื้องแรกเนเะพราะองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรข้อแรกคือศรัทธาในพระตะถาคตนั่นเองว่าพระพุทธเจ้านั้นรู้ทางที่จะออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยนะทุกขตาทุกขตาเนี่ยโดยสัพก็แปลว่าความทุกข์นนะความทุกข์มีอยู่สามอย่างด้วยกัน ความเป็นทุกข์ทุกกล่าวคือทุกขเวทนาความเป็นทุกขแห่งสังขารธรรมอันนี้เป็นอะไรหมายถึงไม่เที่ยงนะนะกับความเป็นวิปริณามะทุกอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงคำว่าทุกข์ทุกเน้นไปที่ทุกขเวทนาสังขารธรรมที่เป็นทุกขเพราะไม่เที่ยงส่วนวิปริณามะทุกหมายถึงความสุขนั่นเองนะนะความสุขที่ไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนอะไร ก็ความดีใจเนี่ยก่อนที่จะดีใจคืออะไรก็เสียใจนะคือเวทนาเนี่ยถ้าว่าแบบย่อนะสังขารอาาไปทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาอุเบขาเวทนาเป็นตัวแทนของของอย่างอื่นทั้งหมดที่ที่ไม่ใช่ทุกจริงๆเนี่ยนะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันอยู่แค่เนี้ยสุขทุกอุเบคาสุขทุกอุเบคาสุขทุกอุเบขาสุขทุกอุเบคาหมุนเวียนสลับกันไปเนี่ยนะแต่ถ้าย่อมาอีก สุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาเนี่ยย่อมาเหลือสองก็มีแต่สุขทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์ขณะที่อุเบกขาก็นับว่าเป็นเป็นสุขเนี่ยนะก็สลับกับทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์ก็มีอยู่เท่านี้แต่ถ้าที่ใดพูดถึงสุขเท่ากับพูดอะไรละพูดกับทุกข์ในถ้าถ้าแปลเปลี่ยนแต่ในขณะเดียวกันเท่ากับบอกว่าที่ที่ใดมีสุขนะปกติสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้อบรมเลยเนี่ยจิตชนิดไหนจะรับต่อโลภะถ้าทุกข โทสะสุขเป็นยี่เป็นเครื่องประกาศว่านั่นคือสมุทัยสัตว์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่ใดคือทุกทุกนะนะเกิดขึ้นที่นั่นคือทุกขสัตว์เนี่ย น, นะทุกขสัตว์เขาบอกว่าถ้าถ้ากล่าวแค่เวทนาสามนะเท่ากับประกาศอริยสัตว์แล้วนะเช่นถ้าพูดที่ไหนสุขที่นั่นเท่ากับประกาศสมุทัยแล้วถ้าประกาศทุกที่ไหนให้รู้ว่านั่นประกาศทุกขสัตว์จริงๆแล้ว แล้วก็ถ้าประกาศถ้าเพิ่มอีกหน่อยถ้าประกาศอุเบกขาที่ไหนนะถ้าบอกอวิชชาเรียบร้อยแล้วนะก็ผู้ที่ทําปริญญาหรือรอบรู้ในสุขเขาจะละโลภได้ผู้ที่รอบรู้ในทุกข์จริงๆจักละโทสะได้ผู้ที่รอบรู้ในอุเบกขาจักละโมหะได้แล้วยอ้อนในนิด น, นึงว่าถ้าย่อมาเหลือกับสุขกับทุกขนะที่เรามีความสุขเพราะอะไรเพราะได้ลาบเพราะได้ยศเพราะสรรเสริญ นะโลกธรรมฝ่ายเดียวกันจะเข้ามาหมดถ้าที่ใดมีทุกเพราะอะไรเพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาเนี่ยนะอันนั้นแหละคือผลที่เป็นทุกขสัพท์ที่ชัดๆใช่ไหมแต่จริงๆนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันทั่วไปท่านบอกว่าหน้ามือกับหลังมือเท่านั้นเองนะย่งแกสลับกันได้นะมืดกับสว่างก็ที่ตรงนี้ถ้ามืดได้ก็สว่างได้ที่ใดสว่างที่นั่นก็มีมืดได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสุขกับทุกก็อยู่ใกล้กัน ันสุ ข, ขเวทนาเนี่ยเข้าไปในระหว่างสุขกระทุกนะถ้าจะต้องละเนี่ยเราต้องละอะไรละที่สุขนะไม่ใช่ละที่ทุกเพราะทุกเราไม่ไม่อยากอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะออกได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีที่สุดนะแต่ว่าที่ที่ข้อปฏิบัติที่ให้ละจริงๆแล้วให้ละฉันทราค่าในสุขแต่ในขณะเดียวกันอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าโอ้โหกลัวสุขไปซะหมดเลยก็ไม่ใช่พรองให้กลัวกามมาสุข แต่ให้ยินดีในเนคข ม, มสุกเนี่ยนะกามาสุขมีโทษในภายหลังเนคข ม, มสุขไม่มีโทษในในภายหลังนั่นเองนี้ย้อนอีกนิดหนึ่งนะว่าพูดถึงในการพิจารณาเรื่องทุกเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาแค่แค่ชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะเขาพิจารณาในภูมิสามเลยทั้งแต่กามาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิและอรูปาวาจรภูมิ เพราะคนที่มาเจริญสิ่งนี้เขาต้องการออกจากภพสามเนี่ยนะพราะฉะนั้นพื้นฐานเขาจึงคิดเรื่องภพสามเป็นส่วนใหญ่เลยกล่าวว่าบรรดาทุกสามประการเหล่านั้นสัตว์โลกย่อมพ้นจากทุกข์ทุกข์บางส่วนในการบางคราวในบางสมปฏิภพเนี่ยนะาบางส่วนของเราทั้งหลายเนี่ยเว้นจากทุกข์ทุกขเป็นบางส่วนใช่ไหบางส่วนก็แปลว่าอะไรบางชั่วโมงเนี่ยนะ ไม่มีวันไหนไม่มีทุกข์แม้แต่นี้เดียวทั้งวันเลยมีไม่ของมนุษย์เนะี่ยหายากเต็มทีเลยนะก็ปวดปัสสาวะก็ถือว่าทุกข์เหมือนกันแล้วก็ปวดเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะพ้นจากทุกขกค์คือทุกข์กลายเป็นครั้งคราวบางสัมปติภพอันนั้นหมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงพรหมโลกถ้าไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยนะทุกขากายวิญญาณ น, นี้ ไม่มีเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกขทุก์บางส่วนบางคราวและบางพบบางพบบางพบหมายถึงรูปประพบนั่นเอ ง, องนะเพราะว่าพรหมทั้งหลายนี้ไม่มีทุกขทุกข์ย่อมพ้นจากวิปรินามทุกข์แบบนั้นเหมือนกันนะวิปรินามะทุกขเนี่ยนะก็พ้นบางส่วนพ้นบางคราวแล้วก็บางพบถามว่าพบไหนที่ไม่มีความสุข ในี่ก็ในที่นี้ท่านบอกว่าอารูปภพเนีนอรูปภพเนี่ยู้อยู่ด้วยอุเบกขาสมาบัตในขณะนั้นไม่มีวิปริณามทุกคือไม่มีสุขเวทนาใช่หมพวกพวกอรูปภพทั้งหลายโดยมากไม่ได้เสวยสุขเวทนาโดยมากเสวยอุเบกขาเวทนาการพ้นจากทุกข์เช่นนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายในโลก ผู้มีโรคน้อยและมีอายุยืนฉะนั้นพ้นจากทุกเช่นนั้นได้พวกโรคน้อยเนี่ยประกาศถึงไม่มีทุกกายะนะไม่มีทุกขรทุกอะพวกโรคน้อยนะส่วนผู้ที่มีอายุยืนเนี่ยก็ไม่พ้นจากวิปรินามทุกอันนี้หมายถึงอรูปปรพรห ม, นะมเนี่ยนะพวกอรูปรพรหมเนี่ยอรูปพรหมนี่ไม่ไม่มีความสุขแบบปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านแต่จะโดยมากอยู่ด้วย อุเบขาแต่สัตว์โลกพ้นจากสังขารทุกข์ด้วยนิพพานธาตุอันไม่มีวิบากและกระตัตารูปเหลืออยู่ น, นะคือจะพ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะพ้นจากสังขารทั้งมวลได้เมื่อไหร่ก็เมื่อจุติจิตของพระอรหันต์เกิดเนี่ยนะหลังจากนั้นจึงจะพ้นอย่างแท้จริงจึงจะพ้นจากสังขารทุกข์อย่างแท้จริง ถ้ายังมีวิบากและกรรมมาสรุปอยู่กนะ็ยังมีทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะไม่เที่ยงนะยังมีทุกข์เพราะไม่เที่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกขเวทนาทุกกายทุกอะไรไม่มีหรอกแต่หมายถึงว่าทุกขเพราะไม่เที่ยงอย่างพะวงของเราทั้งหลายเนี่ยนะทุกขไหมทุกขเพราะไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นทุกขเพราะไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทุกขมะสะ มหพยังเนี่ยนะทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้นเพราะทรงมนสิการว่าความเป็นสังขารทุกข์เป็นทุกขของสัตว์โลกพระองค์เนี่ยต้องการให้ออกจากสังขารทุกชนิดเลยเนะี่ยเราก็อย่าอยู่กับสังขารเลยอย่างนั้นสังขารก็ยังไงก็ยังไม่เที่ยงเคยมีพระอนาคามีท่านหนึ่งพ ร, พระพระภิกษุเนี่ยนะท่านก็บอกว่าท่านพอแล้วเนี่ยนะยังไงท่านก็อย่างน้อยก็เป็นพรหมะนะถ้าตายก็ไปเกิดเป็นพรหม เพราะฉะนั้นก็เลยสบายใจมากไม่ไ ม, ไม่ไม่ตั้งมณฑสิการเพื่อจะเป็นท่ารหารันเนี่ยนะคือกําลังเพลิดเพลินบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เกิดเป็นพรมละ่ะว่างั้นมันเป็นพระนาคามียแหลนะนียิ้มแปะพุทธเจ้าเสด็จเลยก็บอกว่านี่พบแม้มีประมาณน้อยก็น่ารังเกียจว่างั้น น, นะนีคือขอถ้ายังอยู่ในสังขารธรรมทั้งปวงเนี่ยนะถึงจะอยู่ในแบบสังขารชนิดไหนก็น่ารังเกียจทั้งนั้นเนี่ยนะพระพ่องก็เลยมาตั ท่านก็อุปมาว่าอุจระแม่มีประมาณน้อยก็ถือว่ายังเหม็นอยู่ในสายตาของพระอาหารหันต์แล้วท่านถือว่าสังขารทุกชนิดเนี่ยเป็นภาระหมดเลยนะเป็นของที่ไม่น่าปรารถนาเป็นของที่ไม่น่ายินดีในสังขารทุกชนิดเพราะอะไรเพราะว่านะอริยสัตว์ท่านเห็นเป็นอย่างดีว่าทุกสัตว์มีอาจว่าปีรณนะปีรณนะเนี่ยนะเบียดเบียนเนี่ยท่านเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะโดยอัธยาศัยเลยแบบนั้น มันคำถามคถามแรกเนี่ยนะคือกลุ่มคำถามที่หนึ่งที่ถามถึงวัตถุเป็นที่ตั้งของโลกก็พระองค์ก็ตอบโดยรอบเลยนะคำถามแรกก่อนนะอะไรหุ้มห่อโลกบอกอวิชชาก็สองโลกไม่ปรากฏเนี่ยนะมืดมนอยู่เนี่ยจมอยู่อย่างทุกวันเพราะอะไรเพราะวิจิกิจฉากับความประมาท น, น, นะนะเพราะสงสัยกับประมาทแล้วอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลก ทุกสิ่งที่ฉาบทาโลกตัณหาถ้าจะกล่าวยอ่อเนี่ยนะคำพู้ที่กล่าวไปทั้งหมดก็คืออะไรกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นแหละมันทําให้สัตว์เนี่ยจมอยู่ในกองทุกข์ะนะอวิชชาตัณหาความประมาทแต่ถ้าแบ่งเป็นย่อๆแล้วนะอวิชชาสงสัยประมาตตัณหาสเอ่อสี่อย่างเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสกับ ทุกตัวนั้นหมายถึงวัตถทุก์นั่นเองนี่นะปัญนธะาจะย่อไปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็จมอยู่กับทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เนี่ยนะจมอยู่กับทุกและสมุทัยนัญหาวิชาสงสัยความประมาทตันหาสามอย่างนั้นเป็นสมุทัยเนี่ยนะทุกตัวนั้นเป็นทุกขสัตว์นี่นะปนะันก็เป็นการพิจารณามองอทุกขกับสมุทัยเนี่ยชัดเจนแล้วนี่นะนะ จากคำตอบที่พระองค์ตอบว่าอาวิชาหุ้มห่อโลกสัตว์โลกเนี่ยไม่ปรากฏเพราะสงสยัยเพราะประมาทตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ก็เท่ากับประกาศสมุทัยสัตว์ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกก็เท่ากับทุกขสัตว์นะคาตอบอันนี้เน้นประกาศทุกขสัตว์เป็นหลักเน้นประกาศทุกขสัตว์ก็มันก็น่าคิดนะนะเออทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของเราวหมือนกันเถอะนะ ก็เ น, นี่ยก็จะยอมรับชัดนะเออเนี่ยอยู่กับทุกข์กษัตริย์จริงๆเนี่ยน่ทีนี้คำถามข้อต่อไปอีกอันนี้หมายถึงคำถามที่ว่าถามว่าจะบริสุทธิ์จากวัฏฏทุกข์ได้อย่างไรจะออกจากทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้ได้ยังไงถ้าว่าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเป็นคำถามประเภทวุฒฐานกับโวท า, า, นะ า, านนะวุฒฐานวุฒฐานนะเนี่ยแปลว่าการออกอนะ โวทานนี้เป็นความบริสุทธิ์ก็เลยตั้งคาถามว่ากระแสคือตันหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้ถามถึงวิธีละปริยุทธันเนี่ยนะขอพระองค์จรงตรัส บ, บอกการสังวรกล่าวคือการป้องกันกระแสทั้งหลายบุคคลปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้ด้วยทำอะไรอันนี้หมายคําถามว่าจะละอนุัยได้ยังไงเนี่ย คำถามเหล่านี้นะสองคำถามเนี่ยละปริยุท ธ, ธ์ฐานได้ยังไงแล้วก็ละอนุใสยได้ยังไงซึ่งเป็นการเอาปุจฉาปุจฉาวิจัยเนี่ยนะหรือวิจัยปุจฉามามาอธิบายว่าสประโยคเหล่านี้เป็นคําถามอัดที่ถูกกล่าวด้วยคาถาเหล่านั้นเป็นสองปัญหาอ่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่อัดอันถูกกล่าวแล้วด้วยคาถาเหล่านี้ถูกถามแล้วด้วยศัพท์ที่อาศัยหลาอย่าง ฉะนั้นจึงมีปัญหาอยู่สองข้อทวนให้ฟังก่อนนะว่าสองข้อคืออะไรคือถามวิธีละปริยุทธานกับถามวิธีละอนุสัยเนี่ยนะจะเห็นชัดในหน้า20นะกล่าวว่าถ้าชิตาประสงค์จะถามว่าสัตว์โลกที่ถูกภัยต่างๆและมีความเศร้ามองเล่าร้อนเช่นนั้นเนี่ยจะหมดจดและพ้นจากสังสารวัตรได้อย่างไร คำว่าหมดจดเนี่ยนะมาจากบาลีคําว่าโวธานวงเล็บไปหน่อยนะว่าโวธานโวธานส่วนพ้นจากสังสารวัตรเนี่ยนะคำว่าพ้นตัวนั้นมาจากคําว่าวุฒฐานคําว่าโวธานหรือความหมดจดอันนั้นเป็นชื่อของสมถวิปัสนาเนี่ยนะโวธานนะความหมดจดเป็นชื่อของสมถวิปัสนาส่วนวุฒฐานที่เรียกว่าพ้นจากสังสารวัตรอันนั้นเป็นชื่อของอริยมรรค นะอริยมรรคจึงจะวุธฐานจึงจะจึงจะออกได้จริงจากคำคำตอบ ก, ก่อนที่พระผู้มีพระภาคตอบว่าอาวิชชาหุ้มห่อโลกโลกไม่ปรากฏเพราะสงสัยเพราะความประมาทตัญหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ชื่อว่าเป็นความเศร้าหมองอันนัเห็นนะศัพท์ว่าเศร้าหมองอะ่ะอันนี้คือความเศร้าหมองของสัตว์โลกเป็นอย่างนั้น สัตว์โลกนี้เศร้าหมองเพราะอาวิชชาเพราะสงสัยเพราะความประมาทและเพราะตันหาแล้วก็ถูกภัยต่างๆกลุ่มรุมอ่ะนะภัยอย่างที่กล่าวไปแล้วภัยคืออะไรภัยคือทุกข์ทุกสังขารทุกวิปริณามทุกภัยคือชาติทุกชราทุกปยาที่ทุกเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเศร้าหมองเนี่ยต้องแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยวูทานแก้ด้วยความหมดจดภัยทั้งหลายแหละต้องแก้ด้วยวูทานคือการออกเนี่ยนะด้วยการออก สองบรรทัด์เนี่ยนะก็คงนะนะคิดสับไปสับมานะแล้วก็จะสัมพันธ์กันจากค ำ, คำถามก่อนที่พระองค์ตอบตอบว่าสัตว์เนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรนะหนึ่งอวิชชาอะไรวิจิกิจชาประมาทอะไรตันหาอันนี้ถือว่าเป็นความเศร้าหมองของสัตว์เนะแล้วภยัยอ่ะภัยคืออะไร คือทุกทั้งหลายของของสัตว์โลกอ่ะอันนี้เป็นภยัยทีนี้คําถามว่าที่ถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นคเครื่องกั้นกระแสเนี่ยคือถาวรโมโวาทานแล้วกระแสเหล่านั้นเนี่ยจะปิดกั้นได้ยังไงคือจะออกได้ยังไงคำถามสรุปว่าพวกภัยตัวนี้หมายถึงทุกขสัตว์ใช่ไหมทุกขสัตว์เส้าหมองตรงนี้คือ สมุทัยสัตว์อันนี้ก็คือมรรคสัตว์คำถามว่าจะาบรรลุอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะจะบรรลุอริยสั์อย่างนี้ได้ยังไงคาถามเขานะแต่ก็ท่านมีวิธีถามที่เรียกว่ า, าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสใช่ไหมตรงนี้ใช้คำว่ากั้นตรงนี้เรียกว่าปิด ปิดกัก้นถ้าเรา ว, วิจัยคำถามออกเนี่ยนะถ้าวิจัยคำถามเรียกว่าวิจัยปุชชาได้ได้ออกแล้วนะปุเรียกว่าวิจัยวิสัชนาเนี่ยจะชัดเจน น, นะ